เนาวมันโบมี่เงสิยชิวสิจาเดย์มันจิตฟังคำให้มันได้อีพุทธกับโบยีเยอะเรื่อยครูบาอาจารย์ครูพุทธมี่เป็นปราเป็นมันดิตเนาะฮ่อมันเป็นพระบันดอกบัดหน้าฮะออ อะการศึกษาอะไความรู้อะไรบริยัติหรมันก็งานนี่มันวอกภาษามันวอแบบภาพภนอกนี่ละะอืมันกำหดคัพทวอกก็เนี่ยวอดูอะไรเลยไม่บอกแล้วอ้าวมจะเรื่องเก่าเนี่ำกันเลยมันวอเรื่องใหม่ก็บมันเป็นำ่ 啊啊！你哩？啊，嗯嗯，他这个工作他弄过来弄，啊嗯嗯，他不工作啊，我论苦工作，你讲苦，你讲苦个是哪样啊？是木泰，是木泰，没得了蒲，啊？嗯，是木泰。 อ๋ออ uh? so uh? uh? so ๋อฉ uh? ันวอสิ่ัอ่ไมู่เเล่าฮ่ฮ่อ๋ออ๋อฉันเจอคนที่รู้เรื่องเล่าฮ่าฮ่าอเจี่รที่อะไปินข้าวอยงันงข้างในิเห็นไหมไม่ใช่องข้างนอกแต่กินข้างนอกเป็นมุทัยอ๋ถ้าดูข้างในอ่ะเป็นมัดเนี่ยทำม้าเป็นอย่างี้อ ถ้าดูดูดูเนี่ยดูดูความรู้สึกนึกคิดดูอ่ะลงดูหัวใจตัวเองเนี่ยมันก็เห็นแค่นั้นแหละฮะ่ทำมางก็เป็นอย่างนั้นมันก็ไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรมากมายหรอกนะมันอยู่ที่ใจดวเดียวน้ออ่ะอ่ะแต่สนมากมันจะไปรู้คนอื่นดีดิอ่ะ เหมือนบางขัานเนี่ยโอ้โหเหมือนรู้จักลุงตาดีกว่าตัวตัวลุงตาได้ซ้ำไปอะนะยังตลกมากดูเลยนะเ น, นี่ยเขาเรียกคนเนาะนี่คนรวยเหรอไม่รู้ส่วนมา ก, ากเราจะเพ่งออกจากข้างนอกเอาข้างนอกมาเป็นธรรมอย่างเนี้ย ถ้าชื่อของธรรมะมัน ก, ก็พูดดีนะวันนี้หลวงจารึกไปฟังเขาเอามาให้ฟังฟังครูบาอาจารย์เลยเนา ะ, ะไม่ว่าโยมไม่ว่าพาระที่พูดภาษาธรรมะเขาพูดได้ละเอียดละออดีมากเลยน ะ, ะ, ะแต่ธรรมะจริงๆถึงนี้มันไม่ใช่คำพูดมันเป็นสภาวะมันเป็นเรื่องจริงอย่สิ นะแถดตําลาแบบแถดตําลาแถดความคิดแบบอะไรมาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่แหละแล้วเขาเรียกทําขั้นสัญญาแต่ทำจริงๆอ่ะมันต้องหยุดคิดนะเห็นไหมต้องหยุดให้ได้ซะก่อนเห็นไหมถ้าคิดอยู่มันก็ไปทางงอกเรื่อยๆนะ ทำยังไงแหละจะไม่ให้คิดลุงปู่มั่นก็ท่านก็บอกให้อย mmm. ู่พุทโธพุทโธให้มันคิดอยู่กับพุทโธไม่มันคิดไปออดีตไม่มันคิดไปหาคนน้้งคนนี้จริงไหมสิงนั้นสิงนี้งานให้มันอยู่กับพุทโธพุทโธก็คืออยากให้อยู่คิดอยู่เห็นนหมเพราะพุทธเจ้าก็บอกว่า นี่อย่างิชาหยุดคิดจริงๆเราคือให้เอาสติมาอยู่กับลมเนี่ยเห็นไหม <c oughs> ไม่ใช่ให้มันหยุดคิดเลยแต่แต่ของพวกเจ้าไม่ใช่่ให้มันหยุดคิดที่เฉยนะทีเ น, น, นี้ยนะให้มันแยกออกจากความคิดให้ได้หเห็นไหมความคิดมันก็จะพูดขึ้นลมหายใจก็รู้อยู่ความคิดก็รู้อยู่อย่างเงี้ยเห็นไหม ดูลมดูวความคิดเห็นไหมกายสติเห็นไหมกายสติกายะเนี่ยกองเนี่ยแปลว่าลมนะเกาะ อ, อยู่กับลมเห็นไหมพระพุทธเจ้าสอนอย่างเงี้ยนะวิชาหยุดคิดของพระพุทธเจ้าฮะเนี่ยคือทำนะ แต่คนอะไม่รู้จักทุกนะตังีอยู่กับทุกจะไม่รู้จักทุกไงเอาความเพลินอะเป็นความสุขทั้งชีวมันไม่มีอยู่จริงใช่ไหฮะเป็นอย่างนั้นอแถงหาทุกสิ่งทุกอย่างอะ อยากได้น่อนอยากได้นี่บางคนก็อยากได้อย่างเดียวน่าจไม่อยากทา <laughs> สิงม่มันก็เป็นเรื่องประหลาดฮะเหมือนพระเจ้าประสงค์เราเนี่ยนบางทีก็ถ่ายแท้ไปสึกไปฮะ เพราะอะไรล่ะพ่าแท้สัจใจตัวเองนี่แหละความคิดเนี่ยนะเหตุผลเนี่ยกิเลสมันมีเหตุผลอันแหลมคมเสมอเห็นไหมมันก็เพิดไปอยู่ในสัญญาลมในไม่ไหลไปอยู่ไงฮะไปอดีตไปอนาคตเห็นไหม นะมันไม่มีทางหรอกถ้าจะเอาความคิดมาเป็นธรรมนะทุกคนก็คิดเป็นหมดแหละคิดเก่งใช่ไหมซ้าแต่คนหยุดคิดได้จะมีสักกี่คนนะใครใครก็คิดเป็นหมดแหละเด็กมันก็คิดเป็นผู้ใหญ่ก็คิดเป็น คิดไปจนถ้าจะตื่นนอนต้องประจําความได้ฮะไม่มีที่สิ้นสุดหรอกความคิดนะคิดไปคิดมาวกไปวนม า, าจนแก่ตายไม่รู้สึกตัวมีคําถามไหมครับมีคําถามครับอ่ามีคําถามก็ถามไปสิฮะ จากคุณนภูธวันอินครับหลวงพ่อพญายนาคมีอิทธิอยู่บอก้ว่าเพราก็ว่ามีอ ย, ยูญญ่ดล่ะมีอย่างไรเนาะนี่บ่มีก็บสนใจหรอกพญานาคมีนใจยังเนาะฮะพญานาคคุณมันจะอยากสรงเครือเนี่ยนะฮะงูเห่มันตายม้างมนนะแว่าู่ยังไ่ไเข้าใจคนได้เหรฮะ ใจคนเนี้ยน่ากลัวฮะพยายนามาสร้างนิวเคลียร์ได้ไหมล่ะสะร้างเรือดำน้ำได้ไหมฮะมนุษย์เนี่ยมันเก่งกาจกว่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเลยใน3ามบเอ็ดพกเนี่ยฮะอะไรจะไปเชีชยบเท่ามนุษย์ได้ฮะสร้างเครนเอ็มสิบหกก็ได้สร้างจรวดแล้วกว่าแสงยังได้เลย เทวดาสร้างได้ไหมละ่ะฮะสร้างโทรศัพท์สร้างทาุกสิ่งทุกอย่าง ไ, ไม่อศัศจรรย์มนุษย์มั่งไงฮะสร้างรนไฟเหาะ ก, ก็ได้ฮะงตาานามีกิเลสครับโอ้มันจะเลยแล้วถ้าไม่มีกิเลสมันก็จะแก่หานละมันจะเป็นพญนาคไดไง มีดีและมีชั่วเหมือนกันโว้ยนะฮะมันก็มีกรรมของมันจะไ้เกิดเป็นพญานาคนเทว ด, ดาก็มีกรรมของเทว ด, ดานั่นแหละฮะมันจะต่างกับพวกเราตรงไหนฮะครับจากคุณธีราวาดครับสอบถามหลวงพ่อครับ เรื่องสุดาถ้าผมดื่มนิดหน่อยไม่เมาแล้วก็อาบน้ำนอนปกติจะบาปไหมครับไม่บาปหรอกนะกินเป็นยานะนะไม่บาปแต่มันเปรืองแค่นั้นแหละฮ่าาพุทธเจ้าก็ไม่ได้ห้ามกินนะฮะจริงๆนะอากินเป็นยาเห็นไหมก็มีกำหนดให้อยู่นะนะแล้วที่ว่าศีล ห้ามสุราแล้วครับศีน้าข้ออะไศีนมันคือข้อห้ามาคือเจตนากรรมคือเจตนาเราเราพูดถึงเรื่องศีนเนี่ยอะศีนจริงจริงคือเจตนานะอเจตนาเนี่ยแม้แต่โกหกเนี่ยอถ้าโกหกอยากให้เขาได้ดีล่ ะ, ะ, ะมันไม่ได้ผิดศีนนะโกหกให ไปโกหกเขาเพื่อทำลายเขาเพื่อหลอกลวงเขาแนะ่าผิดศีลนะมันอยู่ที่เจตนาอา้าหลวงตาครับถ้าอย่างนั้นถ้าเราพูดดีแต่ว่ามีเจตนาจะต้มถุ๋นเขาก็ผิดผิดผิดศีลส่นสมากพราผิดศีลไงนะะพราะตั้งใยมันก็พูดดียังไงละ ะ, ะ, ะมันอยู่ที่เจตนา ฮะไม่จากคุณเพิ่มครับกายสังขารคือการปรุงแต่งกายกายที่นี้คือทาสีใช่ใช่ไหยครับไม่ใช่คือจิตปรุงแต่งขึ้นมาว่าเป็นกายนี่เฉยหรอกเป็นเอ่อปรุงแต่งขึ้นมาว่าเป็นตัวเป็นตนนี้เฉยฮะ มันเป็นภาษากายสังขารบัญีสังขารมโนสังขารทีจริงมันก็คือเกี่ยวกับมโนหมดแหละเสร็จพุงแต่งทั้งหมดแหละนะพวงแต่งจนเป็นกูเป็นตัวกูของกูขึ้นมานะนะถ้ามีกูมันก็มีทุกอย่างนั่นแหละถ้าไม่มีกูมันก็ไม่มีทักอย่างอ่ะตาครับถ้าอย่างเราส่องกระจกแล้วเราบอกว่าเราหลอนี่คือพุงแต่ง โอ้น่าหลงตกใจเหรอไม่รอตรงไหนหมอนคนบอกว่าโอ้ชาตินั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ชาตินี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่นยโดยคชาติก่อนๆแล้วมไม่เบื่อมั้งไงฮะมันเป็นมาทุกสิ่งทุกอย่า ง, างเลฮะแต่เพราะชาติเดียวเนี่ยโ้มันก็เป็นหลายอย่างมากเลยจริงไมเป็นทังผู้ใหญ่บ้านก็เป็นใช่ไหมใครอือ่นฮะฮะเป็นครูเปอะไรท้าวพจะเป็นแล้วตอนนี้เป็นอปนอำเภอก็มี นะน ะ, ะ, ะเป็นเด็กก็มีเป็นสาวเป็นหนุ่มก็มีเป็นคนแก่ก็มีต่อไปก็เป็นคนตายอะ่ะถ้ า, ชาเช่าเยียงก็จะจำไม่ได้แล้วฮะเยี่ยงไปไล่โอ่ะดิจะเช่ า, ชาอย่างเงี้ยฮะหลวงตาครับทำไมบวชตอนแรกตั้งใจแน่เนี่ ยีด่ดีสักพักนานไปสักหน่อยอยากจึดคับตาลูกครับโอโ้ใจมันไม่ต้องห่วงหรอกนะลกตาบอกใจนี่นะถ้าเปลี่ยนบุดปลานะระหวัาแหไปเอาปลาปเนี่ยอ่ามีปลาติดแหถ้ามีขาดตาดีนเขานี่นะทั้งที่ตาตาตาของแหเนี่ยมันมีร้อยๆตาเป็นล้านๆตาสเส้นแสงตาจริงไหมขาดแค่ตาเดียวนิดหน่อย มันหาทางออกได้ใจก็เหมือนกันถ้ให้โอกาสมันนะนะฮะมีช่องให้มันช่องเดียวแค่นั้นไปเลยฮะเ <c oughs> พราะงั้นม า, มาต้องเอกล้มมันนะฮะฮ ะ, ะ, ะต้องมาฝุดใจนะต้องมาขัดใจนะ โอ้ยเขาไปตามใจนะตามความคิดนะนะไม่มีเหลือนะขอบคุณจันท์าครับการรับราชการหลวงตาขอรับขอคําแนะนําครับวันนี้ผมนั่งดูลมหายใจทั้งวันแต่ช่วงบ่ายผมดูลมหายใจแต่มีอารมณ์การฝึกกระสินที่เคยฝึกอันนี้ผมต้องฝึกกระสินไหมครับหรือดูลมหายใจต่อไปหอมฝึกกระสินเนี่ยนะ ธรรมะฝึกกสินี่ยฝึกกสิณเนีเรียกว่าฝึกอารมณ์เดียวเท่งอารมณ์เดียวธรรมะกสิณเนี่ น, นะหรือเรียกว่าอารมมนุพันิยาชานฝึกการนั่นแหละนละหรือฝึกอารมณ์เดียวนะจำไว้จากฝึกอนาปานสติเรียกว่ารักขณูพันธิาานหรือเรียกว่าจเจริญชานเจริญสติอ่ะทีนี้น พระเจแปะก็มาถามระหว่างกระสินอ่ ะ, อะกระสินฝึกกสินฝึกเพ่งมันเพ่งเนี่ยกับอาณาฟานสกิเนี่ยอุปมากสินเนี่ยก็เหมือนกับเรานั่งรถจากช่องเม็กเนี่ยอ่ะอ่ะไปลงอุบลใช่ไหมก็เปลี่ยนรถใช่ไหมแล้วนั่งรถจากอุบลไปลงโคราชอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ต่อรถจากโคราชไปซาลาบูรีอย่างเงี้ย แล้วก็จอดรถแถวบุรีไปกรุงเทพอย่างเงี้ยนี่ในเชือกกริ น, นเพราะว่ามันมีต้องมีอุปกรณ์เปลี่ยนอยู่เลยจริงไหมแต่อาณาฟาา้านั่ิเหมือนเรานั่งรถบกสรจากชีงยงแค่ถึงกรุงเทพเลยไม่ต้องเปลี่ยนเห็นไหมเชือกกรสินบางทีเนี่ยโอ้ยรถไปไปไม่ใช่หมดรถ <laughs> <laughs> บางทีรถเสียไม่ต้ไปกรุงเทพเลยก็มี แต่อะฝึกอนาปานิสิิเนี่ยฮะถ้ามันของมันมีอยู่แล้วไงรู้เลนะเห็นไหมนะจากจากคุณอ้นครับขอโอกาสลงตาครับช่วงนี้นั่งสมาธิมากเกิดอาการตัวโยกบ่อยครับขอโอกาสครับโอ้ตัวโยกเนีดีเลยแหลนะนั้นนี่คุณเรียกว่าอ่าปิติอีกส่วนอาการหนึ่งนะตัวโยกตัวเนี่ยนะตัวงอเนี่ยนะะนแสดงว่าเริ่ม ฮะเรื่องมีกำลังดวงตาครับถ้าม <L ian S 2> ันโยกแดงๆเรามันเหมือนมือมันจะไล่ลำด้วยมันเป็นอะไรขับนั่นแหละนั่นแหละเราก็กลับมา่เอาความดึงความรู้สึกมาอยู่กับลมมานะเดี๋ยวเรืวตามันนะแค่ความรู้สึกเราอีกถหลวงหลวงตาเจ้าขายช่วย ขยายการหายใจทางผิวหนังหรือทางทวารอื่นที่ไม่ใช่รูจมูกคือแฟนหนูเขาอยากเขาหยอกว่าทําได้หนูกลัวว่าเขาหลงเ ข, จจข้าใจผิดค่ะทําได้ทําได้ทําได้ ไ, ดไม่ไม่ได้หลงหรอกจากสุพรธณครับมันเอาความรู้สึกไงเหมือนเราเอาความเบื่อดูละเอียดละเอียดกข้ไปฮะจนเราหายจากจากตรงเนี้ยจากจมูกจากปลายจมูกก็ได้ทีนี้ยเราลองเอาความรู้สึกมันจับที่กระหม่อมเนี้ย เราก็จะหายใจเหมือนเอาความรู้สึกมาหายใจออกข้างกระมมถ้าเราอย่างง่ายลงมาอ่าไปหายใจอยู่ในท้องก็ได้เห็นไหมที่จริงลมมันมีอยู่แล้วอยู่ในกายเนี่ยอยู่ในร่างกายเราเนี่ยมีลมอยู่แล้วะถ้าเราเป็นใหม่ๆเนี่ยนะถ้าลมมันจะหายไปมันจะแน่นบางทีนเนี่ยเรากลัวใจจะขาดเนี่ยอ่าถึงกับดูไปดูมาเ่ยสูดิดๆนิดๆนิดๆไปขาดก้นเราเนี่นะ เป็นขนาดนั้นเลยน ะ, ะ, ะเพราะงั้นถึกละเอือดจะเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับนะจากคุณไว้ครับจิตว่างเรียกว่าจิตตั้งมั่นหรือเปล่าคราวแล้วจะเดินปัญญาอย่างไรถ้าจิตว่างเนี่ยนะเอาความว่างเป็นจิตแล้วนะว่างมันก็นั่นแหละคราว่ามันเดียวว่าเกิดนิดๆขึ้นมันก็ไม่มีความรู้เข้ามาว่างนะมันก็ไม่มีความรู้ฮนะ มันจะเดินปัญญาได้ไงนะแต่ะะว่าถ้าจะเดินปัญญาจริงๆกลับมารูใครแหะเป็นผู้เห็นว่าจิตว่างมันว่างจริงหรือเปล่าว่างจากผู้รู้ไหมใครแหะเป็นคนรู้ว่าจิตว่าง คุณมงคลเพชรชัยหลวงตาอยากถามว่าอาการที่ปลายนิ้วร้อนตอนเข้าพรรษาเป็นเพราะอะไรครับเอ่าเป็นเพราะมันมีกระแสไฟเป็นกระแสนะถ้าดูไปแล้วมันมีกระแสไฟในร่างกายคนเรานั่นมันเดินไม่ได้หรอกมันไม่มีความบริบูรณ์หรอกะบบว่าธาตุสี่เดี่ยมันยังสมุรูงอยู่จนะถ้าเราฝึกลมบางทีอ่าบางทีมันก็ไปปรับธาตุนะทำให้เกิดกระแสพลังงานขึ้นมาได้นะ แต่คุณเบลวบลครับหลวงตาเจ้าค่ะลูกขอโอกาสเจ้าค่ะขอบา ร, รมีหลวงตาสั่งสอนการปฏิบัติเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้เจ้าค่ะสาทุอาณาปานาสติเนาะอันนี้สงใหญ่มากเห็นไหมนะนะผู้ใ ด, ดอยู่ลมหายใจเนาะก็ลมเข้าไว้อย่าลืมลมอย่าทิ้งลมนะนั่นแหละขนทางนะแห่งอัชชะจาตจะคุณจิรวัตร อ่าแล้วถ้าไปเที่ยวผู้หญิงจ่ายตังตามตกลงไม่ได้ผูกพันจะผิดฌาเมยไหมครับมันก็ผิดอยู่ดีมันก็ไปสร้างกรรมนะนะแต่ว่าถ้าเราไม่มีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นไรอะเนาะถ้ามีครอบครัวแล้วอีอย่างมันก็เปลืองตังอะนะฮะฮะฮะฮะอ่ะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะอ่าฮะถ้าทนไม่ไหวก็อย่างนี้ยก็อ่าอ่าถ้าเราไม่มีลูกไมีเมียก็ทําได้นะถ้ามีลูกไมีเมียก็จะเดือดร้อนแล้วมึง ฮะถ้าเขาจับได้จริงไหมเดี๋ยวก็ไปจิดโรกจิตภัยอันตรายมากนะนะพึ่งอะโคจร่ะนะจากคุณสุริยะครับถ้านั่งที่ถูกต้องในการนั่งทำสมาธิควรเป็นแบบไหนครับหลวงตามั่งยังไงก็ได้นี่สีสจิตบัลลังกัลงหมายถึงคู่ขาเข้ามานะไม่ได้หมายความว่าต้องเอาขาอะไรมาทับขาอะไรหรอกน ะ, ะ, ะนั่งเป็นฐานฐานดอกบัวเห็นไหม คือคือนั่งนั่งนั่งแค่นะไม่ใช่ว่านั่งเราจะเป็นสมาธินั่งเพื่อจะทําสมาธิตั้งสติสิไว้ตรงหน้าจริงไหมมันยังไม่เป็นสมาธิหรอกแต่คนก็มันเป็นภาษาว่านั่งสมาธิที่จริงม็นั่งคัสมาธิธรรมดานี่แหละอ่ะอ่ะก็จิตมันยังไม่จ้งมั่นนะนะจิตยังมันไม่มีสติไม่ั้งมั่นเข้าไปสู่อ่าอ่าชหรือสื่อสมาธิมันยังไม่จ้งมัน่นมันยังไม่ได้เป็นสมาธิหรอก นะสมาธิไม่เกี่ยวกับการนั่งนะนั่งยังไงก็ได้นะจากคุณสุภากรครับจากนวัชการครับการนั่งสมาธิเมื่อสงบไปเรื่อยรู้สึกตัวหนักเหมือนโดนทับอย่างนี้อ่าคืออะไรครับโอ้มีมีมีมีมีมมมมอะไม่รู้จะตจั้งชื่อมันเป็นอะไรนะไม่ได้ตั้งชื่อมันเรียกว่าเป็นสภาวะดีกว่านะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะ เดี๋ยวก็เปลี่ยนสภาวะพวกนี้น ะ, ะจากคุณสมจิตครับการหลวงตาครับผมติดสมาธลึกๆแต่พอมาดูลมตามหลวงตาและแม่ชีเจ้าบอกนีสติขึ้นมากๆครับกิเลสเกิดใจกรเพิ่มขึ้นสติเกิดกับที่ใจกิเลสหายทันทีครับตอนนี้สติกับกิเลสติดคิดกันแล้วครับโอ้นี่นนี่ี่นี่ีนีี่ี่ี น, น ี่เลสในตัวเบาแล้วครับหลวงตาสอนถูกจริงๆผมเชื่อหลวงตาแล้วครับอ๋อมันจะไม่ถูกได้ยังไงล่ะฮะก็เอาธรรมะของพระเจ้ามาฮะสากคตกับสรูด้วยอนาปานสตินะมันจะผิดตรงไหน อ, ะอ่ะฮะก็ลองฝึกดูนะถ้าจะไปอ่านเป็นอภิธรรมตัวอะไรเงี้ยนะมันก็จะขยายอกอกเนาะน ะ, ะแต่ถ้าคนฝึกแล้วจะเกิดอาการอย่างที่หลวงตาว่าหัวตึงๆนะ หน้าช้าๆล่้าอย่างเงี้ยฮมันจะเริ่มทาไปแล้วอย่างเงี้ยเห็นไมเห็นไบางทีลมจะล้ ม, มากลมหายใจเนีะนะบางทีหายใจรูเดียวรูจมูกรูเดียวอย่างเงี้ยมันมีวิธีทําอยู่นะถ้าหายใจจมูกรูข้างขวาอย่างเงี้ยเราก็ลองลองลอ ง, ลองจะแทงข้างขวาดูสินะทีนี้ข้างซ้ายก็จะโล่งข้างขวาก็จะติดแปลกมากเลยนะ ถ้านอนข้างซ้ายข้างขวาก็จะร่องข้างซ้ายก็จะติดนะลองดูเปลี่ยนเปลี่ยนท่านนอนก็ได้นอนที่ห้าเสายญานินะจากคุณศักด์สุริยันกราบน้อมักการะครับขอโอกาสถามการที่เห็นกายในกายเห็นจิตในจิตทําในธรรมคืออย่างไรครับสาธุโอนั้นสติปัฏฐานสี่กายในกายกายในกายนี่ก็ดูลมสินะนะนะดูเห็นนะ นั่นแหละดูจิตให้จิตดูเวทนาในเวทนาก่อนสิเ <laughs> วทนาคืออะไรหล่ะก็เห็นความเกิดขึ้นอยู่จริงของจริงจริงกันอย่างนี้เะเวทนาสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ย น, น่ยเขเรียกว่าเวทนานนนนถ้าสติประทาบสี่มันจะมีสี่อย่างนี่สี่อยา่างตาลูกตาจําไม่ได้มีสี่อย่าง กายในกายอย่างเนี้ยใช่มันจะมีสีไม่ไม่ใช่มันจะละเอียดตามขั้นตอนของมันขั้นกายในกายก็มีสีเวชนาในเวชนาก็มีสี<ว><ว>จิตในจิตก็มีสีธรรมในธรรมก็มีสีไอ้เนี่มันอยู่ใน อ, าอนาปานสติใช่อาจจะถึงาาากับอานาปานสติหกก็ได้ ก็ S <S คือตัวนี้จะเป็นอย่างนั้นอีกทีใช่ใช่ใช่ฮะจากคุณสุวสัสดิ์ครับจากที่จากที่เกิดเรีนธนาหนักหนัพอปรากฏแสงสว่างขึ้นความเจ็บปวดที่มีหายไปหมดเลยครับแต่พอแสงหลับเรีนธนาก็กลับมาเหมือนเดิมใช่อันนั้นเป็นความว่างนเฉยอันนั้นเป็นการเข้าช้างเขาเรียกหลบนะแต่ดีมากเลยนะเขาฝึกได้เนาะอ่า ถ้าเกิดเวทนาเหมือนพระพุทธเจ้าใกละตายอย่างเงี้ยเห็นไหเวทนา ข, นขึ้นหนักท่านก็เข้าฌานเข้าฌานแต่ท่านต้องรู้นะว่าพอใกล้จะดกบแล่แหละท่านก็ออกจากฌานนั้นเปโปกติเห็นไมถ้าตายแบโปกตินะลบบแบบปกติ จากคุณพรพิทักษ์ครับหลวงตาครับทำสมถะภาวนาพุโทโธนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์แต่มันหนุนจิตคิดมันก็ลืมพุโทโธกลับไปดูจิตคิดพอมีสติก็กลับมาพุโทโธมันจะผิดไหมครับไม่ผิดไม่ผิดเนี่ยชื่อวิปัชนนาเลยที่เรียกสติปัฏฐาสนสติตัวจริงๆคือเราต้องดูความคิดนี่แหละนะะไม่ต้องไปรู้ชื่อธรรมะไม่จะชื่อหนึ่งก็ได้จากคุณสลาวุธหลวงตาครับจะรู้ได้ยังไงว่าเข้าฌานที่หนึ่งแล้วครับ เขาดูสิวิจารวิจารนะฮะพอเลยจากวิจาวิจารมันก็เป็นปีจีไงถ้าเป็นปีจีแล้วเนี่ยมันต้องสุขฮะพราามันจะรันเข้าไปเองของมันพอพอปีจีหายมันก็สุขเองฮะพอสุขหายมันก็ไปเอกตาเชื่ออยู่เนี่ยมันก็เป็นฌานจีฮะเขาเรียกทรงฌานเจริญฌานมันก็เป็นอย่างเนี้ยฮะ คนประหยัดครับหลวงตาครับบางครั้งตอนนี้เจอเพื่อนไม่มีอะไรจะคุยกับเพื่อนเป็นเพราะว่าฝึกอานาปานสติหรือเปล่าครับถูกต้องฝึกเข้าไปบ้างเนี่ยคุยกับคนไม่รู้เรื่องแเราก็ไม่อยากคุยด้วยอยากไปอยู่คนเดียวได้ซ้ำไปนะจำไหมทาไมครูบาอาจารย์เนี่ยเกิดวิชาง่ายลำหนักคืออยากมาอยู่คนเดียวเพราะว่าฝึกไปบ้างบ้ามันจะรับรู้ความรู้สึกคนอื่นด้วยนะมันจะเสียแทงมากอารมณ์นะหลวงตายจะต้องหลบไปอยู่ในป่าตั้งหลายปี เห็นไหมดูคนเดียวก็ไม่เดียวดายแล้วรู้ลมทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะเห็นไหมจากคุณเพิ่มพิธวัฒน์วงตาครับโมโหจริตโมหะจริตแก้ด้วยอาณาปานสติไหมครับแก้ด้วยอานาปานสติเพราะส ต, ตินี่แหละ่็โมหะก็คืออวิชชาใช่ไหมแก้อวิชชาก็คืออาณ า, า, า, าปานสติก็สตินี่แหละ เพราะมันไม่มีสติแล้วมันจะเป็นโมหะฮะคุณอากรนคุณแก้วเคยฟังธรรมะเห็นเหมือนเข็มวิ่งเข้าตาลงไปกลางใจคืออะไรครับหรือผมแค่มนโนอ๋ออันนี้มันเกิดสภาวะนะฮะมันเป็ น, นเหมือนกันหลอกสภาวะจะเหมือนกันได้ยังไงนะแต่กาไปสนใจมันเลยเหมือนวันนี้มีคนมาถามว่า่่าาเห็นอะไรอะ่ะ เขาไปเห็นความว่างเห็นแสงเห็นนั่นเห็นเทวดาได้นะแล้วจะทํายังไงต่อบอกก็วางพวกนั้นเสีกลับมาอยู่กับผู้รู้ให้เราเป็นผู้เห็นฮะพวกนั้นเป็นสิ่งที่ถูกเห็นด้วยเฉยมันก็เหมือนกับพวกเราเห็นต้นไม้เห็นอะไรเห็นอะไรกระากอะไรเงี้ยฮะฮะเราก็มาอยู่ผู้รู้อยู่ในฐานของผู้รู้ไงอันนั้นผู้ถูกเห็นนะผู้ถูกรู้นะถึงแม่ล่ะ ก็มันการเดียวกันอ่ะตัดทิ้งไปเลยรู้อะไรก็ไม่เข้าอยู่กับรู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้นะใช่ไหมกลับมาอยู่ในฌานก็ผู้รู้ได้ตั้งมั่นอยู่ในฐานก็ผู้รู้ให้ได้พดไดะพวกนั้นเป็นสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดนะคุณขวัญชัยครับกราบน้องส ก, การหลวงตาการเจริญสติระหว่างวันทําได้อย่างไรบ้างครับทุกิริยาหมดทำามีสตินั่นแหละมีความเพียร น, นะขาดสติก็ขาดความเพียร ฮะเขาเขาว่าระคึกพุทโธไดไหมครับได้ได้ได้ได้ก็สติมาไว้กับพุทโธนั่นเมื่อก่อนตาเนี่ยเาไม่ได้ฝึกหาลมหายใจนะไม่ได้ฝึกอานาบัติก็ฝึกพุทโธนะเพราะผาสาป่าเนี่ยก็ฝึกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธทุกย่างกทุกขีใบบ่อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอ่ะ ครับเวลาพุโธพุโธเวลาพุโธหายอ่าไหมครับใช่ถ้างมันหายกนกำั้นพุโธสิเม่อไหร่มันหายมันหายแล้วมันก็มันเหนลมเี้ยใ่เวาพุโธพุโธเว้าพุโธหายก็จะลมอย่างเดียวใช่เห็นแต่ลมอย่างเดียวใช่พอลมหายปุ๊บมันก็จะเฉยเฉยอ่าเฉยจะว่ามันมันมีสติมันรู้แต่แต่ว่ารู้แล้วจะยากเป็นสองทางทีเนี้ยไอ้รู้กับหลักไอ้หลับเนีะไนะ เขาวางอ่าก็เข้า้มีคดีอใช่ถูกต้องหมครับถูกต้องถูกต้องนะของากา ร, ๆๆๆๆราา ก, การการการที่พุ้โชวปัญหาอยู่รำากับพูโชหายทุกวันนี้ไม่มีพู้โชว์เลยมันก็มีจะลมหายใจาก็มันกลาเลยใช่เพราะว่าอ่าถ้าถ้ามีอยู่ในลมเนี่ยมันเข้าฌานไม่ได้จาไว้นะเพราะมันมีสตีอยู่ฮะมันเนอยู่เพราะว่าการหลุดเข้าไปเนี่ยมันจะดับ สติดับสัญญาต่างๆเใช่ไหมถ้าเข้าชาญอ่ะอันนี้เขาเรียกเจริญฌานนะอ่ะคือมีสติเรีย น, นอ ย, นะอนอยู่รู้อยู่รู้สึกตัวอยู่แค่นั้นแเลยนะทุกข์ก็รู้สุข ก, ก็รู้กกรนะไม่ทุกขไม่สุขก็รู้คือรู้รู้รู้รู้อย่างเดียวมีแต่รู้กูไม่มี อ, อ, อ่าอือคือมีสติอยู่นี่คือเจริญฌาน ใช่ใช่แตถ้าหายไปนี่คือเข้าฌานอ่ใช่นะบางทีสติหายไปมันจะเข้าฌานอย่างเดียวมัาไปคิดแล้วุ้งแกงกอแล้วก็มีนะบางทีก็หลับไปก็มีนะนั่งหลับก็มีนะแล้วก็ฝันแล้วก็มาหาว่าเห็่น่นอยูนี่ยฮ่าฮ่าโอ้มีหลายอย่างต้องสังเกตให้ดีนะฮะ ใช่ลุงจ้าก็เหมือนกันเมื่อก่อนเนี่ยอยู่กุฏิหลังเนี่มันไม่มีใครอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยอยู่บนเขาคนเดียวอย่างเงี้ยโอ้ดูเราดูหัวใจตัวเองเวลาฝนตกฟ้าร้องจริงไหมลมกันโชกแรงเงี้ยเห็นไหมกุฏิก็กุฏิยากาหนฮะจริงไหมเราก็จะดูลงหัวใจว่จตัวเองกลัวไหมหวั่นไหวไหมเสียงฟ้าผ่าเริ่มลมมากขึ้นฝนแตกมาเปียกเ ง, งี้ย เมื่อก่อนเนี่ยโอยตียงกแจ้งเลยนะลุงกาเนี่ยนะพนข้างข้าามันมีสองด้านเองอีกสองด้านไม่มีฝานะอ่ะกูอลุงกาเนี่ยเอาจีวอนนะไม่มีไม่มีฝายังอื่นเอาจีวอลรอบเลยนะมีแค่ตัวเดียวะแค่ไม่ไข่ตัวเดียวละมุงย่าก็จีวอนเนี่ยจีวอนเก่าเนี่ยเป็นข้างฝานะ โอ้ยเวลามาเนี่ยลมมันเหมือนกับพัดกจะปิวออกไปหมดอะนะเปียกน ะ, ะเราก็ดูลงหัวใจตัวเองว่ากลัวไหมอย่างเงี้ยะะนะนั่นแหละมันจะเห็นชัดเจนกว่าะรู้ตัวอยู่อะไระจากคุณชานชัยครับทําไมพระศรีอาจต้องมาใช้กรรมกับพระมหากรัสน์ปปอีกครับในเมื่อท่านนิพพานแล้วอ้างจากําพีนะครับไม่รู้เสิอันนี้ก็ไม่รู้เราเกิดไม่ทันนะ โอไปไกลเลยนะไม่ต้องไปรู้ภาษีอาพภาษีอาดอะไรเลยน ะ, น ะ, นะรู้เฉพาะอยู่ปัจจุบันนี้กว่าอันนั้นเป็นเรื่องของอดีตรหรืออะไรเรื่องของอะไรนไม่ต้องไปพูดจัดออกเลยไงนะไม่ต้องไปรู้อะไรมากมายหรอกนะถ้าอย่างนี้ก็จะสงสัยอยู่เลยเห็นไหมมันไม่ใช่ภาษีอ่าดนะมันสงสัยดูดี ๆ, ๆนะ สิ่งที่เราไม่รู้ น, น่ะนั่นแหละนะลั่นแหละเราสงสัยนะ ห, หลวงตาครับถ้าต้องการให้สติจเจริญมากและเร็วใช้ลมหนักและยาวเข้าออกใช่ไหมครับใช่ใช้ลมยาวยาวยาวนะตรงเข้ายาวออกอยาวจะเร็วมากนะจากคุณสุภัสแฉลู่หลวงตาเขารับแต่ก่อนเชอบสอนธรรมะแต่ตอนนี้ไม่อยากสอนธรรมะแล้วเขาไม่ มาหาเรียนธรรมะก็ไม่สอนเป็นสภาวะอะไรครับโอ้เหมือนหลวงตาเลยจะย้อนไปเมื่อยี่สิบสามปีสิบียี่สิบกว่าปีก่อนหลวงตาเนี่เป็นคนรู้มากนะรู้มากเก่งมากแกชานมากอย่างเงี้ยส อ, อนคนอื่นจนจนบางทีเนี่ยเห็นไมเมื่อก่อนในเมืงเนี่ ย, ยอาจารย์สุเทพวัดถ้ำไท ตอนนั้นมีพระบวชใหม่อยากศึกเขาก็จ้างมานะวันละหมื่นห้านะเพื่อจะมาสอนพระเขาบอกให้อาจารย์ศีลมาเขาเรียกเราอาจารย์นั้นแต่ยังไม่บวชแล้วนะเห็นไหมจนมาพักหลังเฮ้ยเราเราเรารู้ไปหมดแต่ว่าเราเร า, เราลกลับอดไม่ได้เราก็ยังเสพกรามอยู่เราก็ยังไปเที่ยวเจ้าของไม่ดีอยู่เงี้ยเที่ยวผู้หญิงอยู่เงีเ้ยจริงไหม เฮ้ยทำไมกูรู้หมดทำไมกูอดไม่ได้กูบังคับตัวเองไม่ได้มันไม่ใช่เรารู้เนี่ยวะเราก็เลยกลับมาไหม่เราก็เลยเริ่มเริ่มเริ่มไม่เชื่อปัญญาที่เรามีฮะอเราก็เลยไม่เชื่อเริ่มไม่เชื่อความคิดตัวเองลูกจาเริ่มไม่เชื่อความคิดตัวเองมาหี่ก่อนจะบวชนี่เจ็ดแปดปีแล้วนะจต่ไม่รู้ว่าเป็นไรเราเราเริ่มว่าเราเริ่มไม่เชื่อละเราก็เลยไม่สอนฮะเราก็เลยห่างออกจาก พวกนี้เราก็มานั่งดูเราก็เลยไม่เชื่อความคิดตัวเองนอะมันเหมือนคนบ้าไหมล่ะฮะเพราะว่าเราคิดผิดเหมือนกับเราคิดไปดูขา่าวพวกเนี้บางที่เราดูข่าวเราไม่ได้รู้จริงนี่จริงมันจะผิดจะถูกรู้จริงผิดหรือเปล่าถูกหรือเปล่าเราจะเราไปตัดสินแล้วอย่างเงี้ย ไ, ได้ไหมบางทีเขาอาจจะไม่ได้ผิดก็ได้เราไม่ได้รู้แจ้งเลยเราก็ไปตัดสินแล้วว่าผิดล่าถูกว่าดีว่าช่วย จริงไหมเราเอาเอาลมเข้าไปบวกฮะเราไม่ได้รู้จริงเข้าใจไหมเราก็ยังสงสัยอยู่แต่เราไปไปจับสิ่นดีกว่าอย่างเงี้ยเหมือนลงตาว่าเออตายแล้วศูนย์แต่ตายแล้วไม่ศูนย์อย่างเงี้ยฮะมันเชื่อไม่ได้ทั้งสองอย่างเพราะเราไม่เคยายจริงไหมจริงไหมถึงคนจะมาเล่าให้ฟังเราก็ไม่เชื่อหรอกอ่ะเพราะเราไม่เคยไปเราก็ยังสงสัยอยู่ดีจริงไหม เราเชื่ออะไรไม่ได้เลยจริงไหมเพราะเราไม่รู้จริงนะแต่เพราะว่าเราว่าเรารู้นี่สิทั้งที่มันไม่จริงทั้งที่เราไม่รู้อ่ะนะเราแค่คิดเอาเองเฮ้ยผลคงจะเองไม่รู้จริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยเราก็กลับไปเชื่อไปศักดิ์สินซะแล้วอย่างเงี้ยนั่นแหละนั่นแหละมันมันก็เลยผิดพลาดไปเยอะนะ เรื่เรามาฝึกตัวเองเพื่อจะรู้จริงได้ไหมล่ะฮะมาพิสูจน์อย่างเนี้ยฮะี่ก็จะเปอมัวเฮ้ยหลวงจาก็อ่านตำรามาเยอะน ะ, ะจนสลัดทิ้งหมดเหมือนกันไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยฮะเมื่อก่อนหลวงจางเป็นคนคิดมากคิดเยอะมากคิดได้ทั้งวันจนบางทีนอนแทบไม่หลับเพลิดเพิน อ, อยู่กับความคิดการใช้สมอง ก็มาหลงจนว่าตัวเองมีปัญญาเยอะเพราะตัวเองอ่านมาเยอะฮะต้งการเนี่เป็นหนอนหนังสือนะอ่านจนหอสมุดในอำเภอเนี่ยไม่มีหนังสือให้อ่านทุกตัวอักษรเลยบางทีก็กลับมาอ่านหลายรอบเลยบางทีบางเล่มเนี่ยเขาสูงใจเนี่ยอ่านจนยี่สิรอบก็มีฮะเพราะเราเป็นคนขี้สงสัยไง สงใัยไปสารพัดก็เลยไปหามันค้นคว้าไปหมดทุดอ่เห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะโอ้อออหลวงตาครับแล้วถ้าอย่างเราไปศึกษาแล้วรู้หลักรู้อะไรแบบนั้นแล้วมันทำไมอารมณ์เรามันยังรุนแรงเหมือนเดิมเขาว่าเรารู้ข้างนอกไนงะเราไนนได้รู้ภายในเลยเออ เราไม่เคยห้ามตัวเองเลยเราก็ตามตามกับตัวรู้ม่จต์รู้เราไม่มีกำลังยืดไปจัดกระแสของอารมณ์พวกนี้ได้เลยเห็นอย่างเช่นโมโหทุกอย่างยรวมทั้งทุกอย่างเลยใช่เพราะฉะนั้นมันต้องลงมือปฏิบัติพิสูจน์กันเลยอย่างเงี้ยเห็นหมวันหนึ่งหลวงจาก็จตัดสินใจเอาละเป็นไงเป็นกันอย่างเงี้ยฮะ เรารู้มามากพอแล้วล่ะฮะเราจะลงมือปฏิบัติประมาณนี้ย่าอ่าขจดปฏิบัติก็ติดผิถูกถูกนะอุ้ยหลายปีงานดีดักไม่เคยสงบเลยนะาผิดทาถูกมาทําสารพัดแล้วะไม่มีหลักที่มันจะไม่อยากฝึกอ่ะลงตาก็อยากฝึกเมื่อก่อนอ่ะ อยากสึกอนะอยากก็ทนเอานะจริงไหมอนมีวันหนึ่งนะุไฟสุดมามันดับลงเงี้ยนะความอยากสุดก็ไม่มีอีกเลยเท่าปัจจุบันเนี่ยไม่มีเลยนะนะนะไม่มีความรู้สึกที่ว่าอยากสึดเลยนะหลายปีมานี้ไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวเลยทนะี่อยากซึ้ ะตะคงฉุดไม่ได้แล้วค่ะคงเลี้ายพาข้าเหลือผ้าเหลืองแล้วล่ะนะจากพ่อพักครับ พ, พระพระอาจารย์ครับการจินเจนมีผลหรือไม่อย่างไรกับการก้าวหน้าของสภาวัธรรมครับมันก็มีผลหมดแหละนะถ้าพูดถึงกินเ จ, จมันก็ไม่ได้ผิดแล้วมันก็ไม่ได้ถูก ถ้าอะไรเหมาะสําหรับตัวเองนะแต่ที่มันผิดมันถูกคืออยากให้คนอื่นไปกินเจด้วยเนี่ย้ากินเนื้อมันผิดอย่างเงี้ยแนี่ยเนี่ยมันผิดตรงเนี้ยฮนะถ้ากินเจแล้วมันดีกับตัวเรานะก็กินได้นะพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้ว่านะต้องอย่างนั้นดีต้องเหนียบอย่างนี้ดีอะไรเหมาะกับนิสัยของตัวเองอ่ะนะนะนะประเด็นนิสัยตัวเองนั่นแหละนั่นแหละฮนะนะนะเลือกดูเอานะฮนะ บางทีบอกว่าเออไม่กินเนื้อสัตว์นะแต่บางคนก็พกกระเป๋าหนังอยู่นะกินไหมกระเป๋าตังอะบางคนบอกไม่กินเนื้อสัตว์บางคนใส่รองเท้าหนังอยู่นะบางคนก้กินเนื้อสัตว์พอเขาไปดูรถขับรถก็เบาะหนังอีกวนีนะมันก็กอยู่เหมือนกันนะบางทีอะมันไม่เกี่ยวกันหรอกะ มันเฉียวที่ว่ามันเปนว่าผิดว่าถูกนี่แหลอครับบางทีก็เป็นรสชาติที่มันเรียนแบบฮะรสชาติอาหารเจเียเดินแบบไก่แบบเนื้อหมูอะไรอย่างเงี้ยครับเออก็ก็มก็ไม่ต่อะไรมั้งอมันต่น ะ, ะเพราะฉะนั้นหลวงตาเลยพูดจิตตลกว่ากูอย่างหลวงตาฉันเมื่อวัวอย่างเงี้ยถูกไหลวงตาก็คิดว่าตัวเองกินหญ้างไงเพราะเพราะวัวมันกินหญ้าใช่ไหมฮะ พรกินหญ้ามามันก็ผลิตห้ามาเป็นเนื้อเรากินเนื้อก็เหมือนเกียวกินหญ้าไหจริงไหมล่ะอทเหมือนกระดูกไก่มันเนื้อไก่ขาไก่เนาไก่อะไรเงี้ยอก็กินไก่ไปเลยมันไม่ดีกว่ารกินเนื้อไก่ไปเลไม่ว่าทไมล่ต้องไปเือนะริงไหม่านทีบบอกเจ้าก็กินอยู่ฉันอยู่อ่ กินไปเถอะมันอยากกินก็ไม่กินแต่กินเจก็กินเจไปฮะมันลุกปูแหวนน่ะนะรุงตาเคยอ่านเจอปูแหวนวะถ้ากินผักกินหญ้ารู้ทำวัวควายมันก็รู้ทําหมดแล้วไงฮะจริงไหมถ้ากินอะไรมันดีก็กินไปเถอะมันดีกว่าสุขภาพตัวเองอ่ะดีต่อจิตต่อใจตัวเองอ่ะเนาะเอกกินเจก็เลิกอ่ะนะ แต่บางทีถ้าเราเนี่ยจะไปกินเจมาอยู่กับบ้านนอกอย่างเงี้ยมันจะไม่เดือดร้อนเขาเหรอฮะ <c oughs> จริงไหมมันจะไปเลือกกินขนาดนั้นเลยหรอจริงไหมละ่ะก <c oughs> ินอะไรเป็นพวกเลี้ยง ง, ง่ายกินง่ายง่เนาะจริงไหมละ่ะเออฮะโมคเขาก็ว่ามันสนับสนุนการฆ่านะครับอ๋อโคตรไม่สนับสนุนมันก็ฆากันอยู่แล้วจะว่าจะฆ่าสัตวเล็โคนมันยังฆาเลยฮะ แม่ใครจะไปห้ามก็ได้ฮะก็ฆ่ากันมาเร่องมีมนุษย์ขึ้นมาแล้วจริงไหถึงมนุษย์ไม่ฆ่าสัตว์ันก็ฆ่ากันอยู่ดีอ่ะฮะมปลามันก็ยังกินปลากบมันก็ยังกินกบอยู่าเลยแกรบ่กินกบลด้นะฮ มันเป็นลงจอดเป็นบ่วงโซ่กันแหะน ะ, ะ, ะเพราะฉะนั้นมันเป็นธรรมชาติตัวนี้ะนะมนุษย์ยังกินเนื้อมนุษยเลยสมัยก่อนเลยนไหมฮะเพราะฉะนั้นการกินเนี่ยอย่าเอามาเป็นบรรทัดฐานเลยเนาะฮะ อาภุสติดกวยความันไม่ด้เกี่ยวกับการกินเลยดูๆแล้วไอ้แมุ่ดสติไม่ได้เกี่ยวกับการกินเลยนะสติสติสติสติชาโลกัสมิงนะสติเป็นื่องการกระแสโลกระแสอารมณ์นั่นนะกระแสอายตนะนั่นนะมันไม่ด้เกี่ยวกับการกินนู่นกินนีหรอกะถ้จะไปเอาแค่การกินก็มีปัญหาแล้ว ไม่นจะฝึกอะไรเลยอะไรเงี้ยฮะกินไหมอะฮฮะเฮ้ยมันหลายชั่วโมงหลายนาทีเลยนะ่สสี่สสีนาทีแล้วเนาะสี่สนาทีมีคนดูไหมเ่ยหกร้อยหกร้อยี่สิบฮลไครับอ่าฮะเพราะว่าเพราะว่าธรรมะจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับการกินหรือการไม่กินเลยมันเกี่ยวกับการฝึกสติเห็นเห็นไห ไม่เกี่ยวข้องเลยพระก็มถามางองคนจจหลงไกรเองสองคำบันก็ฉันหนนึ่ไม่เห็นมีปัญหาบางองค์มีชิดบันก็ฉันหนึงก็ีเห็นก็บางคนเขาเชื่อว่าเขาอันนั้นเป็นความเชื่อกลัวบาปถ้าเขากินเนื้อสัตว์แหม่กกลัวบาปกินกินเถอไม่ใช่ฮะไม่กินเนื้อสัตว์จะไป โกงเขาไปจีเขาไปฆ่าเขาอย่างเงี้ยก็บาปอยู่ดีเลยการกินไม่ใช่ว่ากลัวบาปหรอกฮะการกลัวบาปจริงๆก็คืออย่าไปทาบาปนั่นแหละฮะล่าชั่วนั่นแหละคือไม่ทาบาปฮะํามจากความดีมันมันจะบาปตรงไหนวะไม่รู้ถึงกินอะไรไปกินก๋้ยเตี๋ยวเนื้อไปกินอะไรอยเงี้ยกินก๋วยเจี๋ยวหมูกินอะไรอเงี้ยฮะมันจะบาปตรงไหนวะกินเฉย เราไม่ได้ไปฆ่าเขานี่ฮนะถึงไหมแต่พอไปกินอะไรนะอ่าเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับพวกเราไปถือสิลปอยู่ในแผนในสตาเนี่ยถึงไหมอะั่งสกิโตโมีพอจกวกใช่ไหมออกจากสาลา ย, ยังไม่ทันเลยหยา ก, กันแล้วก็มีนี่กระดาษแผนในตาอยู่หยกถึงไหมฮะก็มันเป็นบุนเราช่องเอาเลยนะ ฮะจริงไหมไปถือสินตอนเช้ายังไม่ถึงบ้านเลยไป ล, ละแวะร้านค้าแล้วฮะเห็นเขาประดุกใส่ถุงไว้ซื้อมาโอ้จะไปถึงบ้านสับหัวเพาะหัวแกงกินละฮะกุลาสินแล้ววะฮะมันก็ฆ่ากันอยู่ดีกันแหละฮะจริงไหมล่ะ ถ้างานบุญก็ไม่เกี่ยวกับเอ้ยกินก็ไม่เกี่ยวกับบุญบาไม่เกี่ยวหรอกะะะอย่าไปโกงแล้วกันกินเถอะฮะกินได้มันพอพอหมอพอคว้านนั่นะฮะฮะยนันมันติดคอมาพั้นมันท่องอื่นมังไปกินหินกินทราย โอใช่ครับลงตานี้น่าน่าจะหนักกว่าใช่ก็รินเห็นกิใ่เป็นมารกามันกิงไม่มถโกมาเยครับครัลงตานี่นาจะหนักกว่าเยอกงทุกอย่างอนะเห็นมอันนี้อันนี้มันมันกิกว่าจริงจริงไหมฮะวันนี้ก็มีอะไรนะพอโรงเรียนใกล้ๆเนี่ยแหละมากับพวกรองพออะไรมา ฮะก็มามากราบหลวงตาแล้วก็สนทนากันอีกหน่อยเนาะอ่ะแล้วก็วันที่ห้าหกเจ็ดแปดเนาะก็มีคณะอาจารย์ของอมองกเกษตรศาสตร์นะแล้วก็คณะอาจารย์จากอเมริกาเนาะจะมาสัมภาษณ์หลวงตามาสนทนาธารมพิเศษนะอ่าอ่ ะ, อะนี่นะ และพรุ่งนี้พรุ่งนี้หลวงตาเขาจะออกเดินทางตั้งแต่ทีสี่เพื่อจะไปฉันเข้าอยู่วัดป่าศรีโพชัยอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดคือวัดอุปาชาหลวงตาเป็นวัดสาขาของวัดปะกกุงะเนาะะหลวงตาก็สามสี่ปีมั่งไม่ได้ไปการาบท่านน ะ, ะก็เลยใช่อออโอกาสก่อนเท้าภัพรรษาก็เลยจะพาคณะสง คณะแม่ชีนะไปกล่าวรมรัช ก, การท่านแล้วแล้วก็จะออกตีสี่คืนนี้เนะาะรถก็จอดอยู่สาหรับถ้าเราอยู่หน้าศาลาเนี่ยนะสําสหรับแม่ชีก็อยู่ลงจอดรถเก่านาะตรงหน้าครัวนั่นแหละนะนะแล้วก็จะเดินทางไปได้ยินว่าทางเพราะเราไปรถตู้สิบสิบสิบคันสิบกว่าคันแล้วประมาณเนี้ยนะมันก็จะเป็นขบวนใหญ่ทีนี้ทาง อ่าผู้กกับสออ่าพชินธรนะทั่นก็เลยว่าอ่าอ่าอ่าใช้อ่ารถรถรถเอ่อนำนำเนาะเพื่อความปลอดภัยว่างานกันวาเนาะกอนมโมธนาสาธารด้วยนะและทีนี้ไปกับไปกับไ้ขันเข้าแล้วก็อ่ากับอ่าอ่าสนทนากันกับอุปชาเนาะ ก็จ ะ, ะเดินทางกลับแล้วก็จะแวะ่ะานน้ำ ย, อย้อยเนาะทิ้งเกา่ทเก า, าทาิ้งเก่าวัดปากุงนะวัดปากุงคงม่ได้อปวัดานน้ำย้อยชื่อวัดทานยเลยใ่หวัดานน้ำย้อยวัดไชยมงคลเนี่เป็นสาขาแรกของวัดปากุงไม่ใช่ไม่ใช่วัดหลวง ป, ปู่ศรีนะวัดหลวง ป, ปู่ศรีนี่คือวัดปากุง ผาน้ําย้อยเนี่ยเป็นวัดสาขาแรกวัดแรกนะวัดอผ า, าน้ําย้อยหรือวัดเจดีย์ไทยบางคนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่มีเจดีย์เขาเรียกวัดผาน้ําย้อยหรือผาน้ําทิพนะชื่อชื่ออยู่ป้ายผาน้ําทิพนะแต่ที่จริงชาวบ้านเขาเรียกผาน้ําย้อยนะวัดนี้รู้สึกจะจิตสามจังหวัดเลยเพราะว่าแสนสองหมื่นไร่นะ ติดกาลสินมุกหานนะก็เลยออภเพนของพ่อใช่ใช่ใช่ตอนนี้พอสร้างเจดีย์ชัยมงคลเสร็จก็เลยแบ่งเป็นเจว่าวัดเจดีย์ชัยมงคลนะก็เลยวัดจะแวะทิงเก่าท่านหน่อยเนาะข้ากลับคงจะกลับทางเลนมุกชาทางอำนาจเจริญนอะเนาะ เพราะว่าขาไปจะไปทางอุบลทางยะโสไปเสละภูมิมันจะใกล้กว่าอ่าเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้อ่าหลวงตา ก, ก็เดินทางผ้าสงเท่าไหร่นะเอครับไม่ใช่ห้าสิบสี่ห้าสิบสี่แม่ชีเนี่ยห้าสิบกว่าเหมือนกันนะก็รวมแล้วร้อยกว่าเนาะแล้วรวมจิตใจมีก็คงเยอะอยู่อนการร้อยกว่านะ ใช้รถตู้่ารวมๆแล้วก็สิบสิบคันสิบเอ็ดคันเฉพาะรถตู้และรถอาจารย์หน่อยด้วยเพราะฉะนั้นรถไปตัางหากก็รวมกั น, นแล้วก็สิบกว่าคันแหละนะเพราะคนร้อยกว่าคนเดินทางน ะ, นะก็ะะแจ้งข่าวออไปเนา ะ, ะคนใดอยากทําบุญร่วมร่วมเพราะว่าหลวงตาจะทำพระป่า พระ ป, ป่าไปถวายอุบชคาด้วยพระ ป, ป่าเล็กๆนะเนาะามีเท่าไหร่ก็ถวายท่านแค่นั้นแหละเาลานาะขึ้นลามแล้วไม่ได้ไปกรากบครูบาอาจารย์กรากบอุปาชาผู้ท่านบวชให้ถือว่าเป็นผู้กําเนิดเราเนาะ เ, เป็นผู้เป็นคนแรกที่สอนเราบอกกรรมฐานเราก็คืออุปาชาเกี่ยงเหมือนครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะเนาะพรุ่งนี้ลุงกากจะได้เดินทางไปาพา อ่ารูปพระวัดปะกุ่งก็วัดไอวัดฝ่าบ่อน้าพระอินไปสําหรับพระสงฆ์ก็อ่าไปห้าสิบสี่ห้าสิบสี่ห้าสิบสี่รูปนะอยู่พ่อวัดกี่รูปไม่รู้ก็ไม่เลยนั่นแหละเนาะอ่าสําหรับอ่าพรุ่งนี้ออกเดินทางที่สี่เนาะอ่าคือไปฉันข้าวที่นี่น่ะถ้าไปไม่ทันท่านฉันข้าวไม่เกินแปดโมงอ่ะ ถ้าไปไม่ทันเราก็ฉันเข้าข้างทางอ่ะพวกเนี้เนาะอ่าอ่าโอ้ร้อยกว่าคนเนี่ยไปเข้าร้านอ่าอาหารข้างทางคงไม่พอก็ใครอยากร่วมเป็นอ่าเจ้าภาพค่าอาหารค่าการเดินทางก็เชิญได้เนาะแล้วก็จะเรือนั้นก็จะเอาไปทำเป็นกองผ้าป่าเล็กๆถวายท่านเนาะก็อ่า วันนี้ก็ขอจบการสนทนาธรรมสมควรเก็เวลาเท่านี้เนาะก็ขอสาธุการด้วยธรรมสาธุรลงเลขเบอร์บัญชีให้หน่ยนะถ้าใครอยากขับช่วยนะอยากทาเนาะขบสาธุ